เกินมากอาศัยความตั้งใจจริงกล้าสละประโยชน์ส่วนน้อยประโยชน์ส่วนน้อยก็คือความสุขอย่างโลกโลกเนะี่ยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เห็นจะมีอะไรนักหนาเลยความสุขของโลกมีนิดเดียวครับแคบลองมาศึกษาปฏิบรรัติทมเพื่อจะพบความสุขที่ยิ่งใหญ่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 วงแหนที่สุดทั้ ง, ท, ง, ท, งที่ขี้ทั้งนั้นเลยนะลองไล่ลงมาตั้งแต่ขี้หัวถึงขี้ตีนนะสูงสุดจนต่ําสุดมันวิเศษวิโสอะไรนักหนานไปหลงกับมันทําไมงั้นดูลงมานะดูลงมาในกายดูลงมาในใจเมื่อไหร่หมดความรักในกายหมดความรักในใจไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจจะไม่ยึดถืออะไรในโลกละสิ่งที่เรายึดถือมากที่สุดคือกายกับใจของเรานี่เอง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 บอเวลาคนตายเนี่ยเขาจะผูกมัดตราสั่งแล้วเขาจะมัดสามข้อมัดคอนะมัดคอไว้กันมัดมือแล้วก็มัดเท้ามัดคอนบอกมีลูกมีลูกนะเหมือนเราเชือผกผูกคอไว้ทาไมผูกคอรัดแน่นๆกินไม่ลงนะอย่างพ่อแม่คนไหนจนหน่อยไม่มีเงินมากเกี่ยวของอร่อยๆกินไม่ลงนะ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 มันไม่อิสระนี่ความสุขของโลกเห็นไหมมีลูกนะเราทุกข์เพราะลูกเห็นไหมมีสามีมีพันยาเราก็ไม่อิสระไม่อิสระจะทําทอะไรเคยอิสระมันก็ไม่อิสระแล้วมันไม่คล่องตัวมีสมบัติเหมือนเราพอปลูกศอกเหมือนเราปลอกติดขาเนี่ยปลอกติดขาไว้คือไปไหนไม่ได้มีสมบัติเราต้องนั่งเฝ้าสมบัติเนะ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 ความต้องการเพื่อเอาหน้าเอาตาหลอกๆเนี่ยถ้าเรามาดูนะดูลงในกายในใจเรายึดอะไรไว้เราก็ทุกเรื่นั้นสิ่งที่เรารักที่สุดนะคือกายกับใจนะไม่ใช่ลูกนะบางคนบอกรักลูกที่สุดไม่ใช่ะไม่ใช่รักสามีพัญญามากที่สุดไม่มีหรอกโกหกะใครมาบอกเรานะผมรักคุณมากกว่าชีวิตผมโกหกชี้หน้าไปเลยนะโกหกบอก คนที่เขาจิตปราดเปรียวเขารู้นะอย่ามาโกหกนะะไม่มีอะไรรักมากเท่าตัวเองนะหรือเรารักจิตใจของเราเราอยากให้จิตใจมีแต่ความสุขสนุกสนานเรารักมีจิตใจมันก็สุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างบ้าบ้าบ่า บ, บ, บไปตามเรื่องของมันแปว่งขึ้นแหว่งลงไปตามเรื่องไม่มีความสุขที่แท้ จ, จริงถ้าเรารู้ลงในกายรู้ลงในใจพอไม่ยึดกายนะเราไม่ทุกข์เพราะกายลนะ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 เนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเราหายใจออกเราหายใจเข้าก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาที่ต้องหายใจก็เพื่อแก้ทุกข์นั่นแหละพอหยุดหายใจไปหรือเป็นบัตหายใจไม่ออกทุกข์นะทุกข์หายใจออกลูกเดียวก็ทุกข์เห็นไหมต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์หายใจเข้าไปสักพักหนึ่งทุกข์อีกละต้องหายใจออกแก้ทุกข์ดูสิร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นขนาดนี้เราไม่เห็นนะไปประมาทโมเมาพราะว่ามันเป็นของดีของวิเศษ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 ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเยดูจิตใจเนี่จะเห็นความไม่เที่ยงได้ชัดหรือดูไปอีกทีก็จะเห็นอนัตตาได้ชัดเราบังคับมันไม่ได้เห็นไม่เราเลือกไม่ได้นะอย่างเราฟังคนสองคนนะ่ะพูดคนนี้เราชอบคนนี้เราไม่ชอบเนี่ยพูดประโยคเดียวกันความรู้สึกเราอย่างไม่เหมือนกันเราเลือกไม่ได้นะไม่ใช่เดินเดินอยู่คนตะโกนบอกไอ้บ้าต้องโกรธใช่ไหมอมันโกรธ ห้ามันไม่ได้มันจะโกรธหันไปดูเอามันเพื่อนเรามันกําลังร้องทักทายเราธรรมดามันเรียกชื่อพ่อเราด้วยซ้ําไปวันนี้เราเรียกเราไอ้บ้านี่สุภาพขึ้นเยอะแล้วนะรู้สึกดีใจนี่พลิกจะโกรธเป็นดีใจใช่ไจิตใจมันจะดีใจก็ห้ามมันไม่ได้เนี่ยคอยดูลงไปดูของจริงนะจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูไปอย่างเนี้ยร่างกายเราก็ดูไปมันมีแต่ความทุกข์ล้วนๆอย่าขี้เกียจดูนะไม่ใช่ดูนิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับไปอยู่กับลมหายใจ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 คือการเห็นความจริงของกายการเห็นความจริงของจิตใจเห็นความจริงันกระทั่งใจมันคลายความรักความยึดถือในกายในใจนีอ้ออกไปไม่ได้ยากอะไรใช่หไหมฝึกอยู่ในชีวิตประจําวันก็ได้อย่างเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราใจมันโกรธรือว่าโกรธไม่ใช่รู้ว่าถูกปาดหน้านะอย่างนั้นคนอื่นเขาก็รู้คนไม่ปฏิบัติก็รู้ใจเราเป็นยังไงเราค่อยรู้ไปนะแล้วค่อยๆดูไปนะอะไรที่เราไปติดไปข้องไปยึดไปถือ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 อะไรนะ เ, เกิดเป็นนายกเนี่ยนะไปเดินเดินแล้วโอ้เดินมาชั่วโมงยังไม่มีใครทักเลยใจแป้วเลยนะเกียรติยศชื่อเสียงเอาคนอื่นเขาให้ไม่ใช่ให้ตัวเองอย่างเราให้ตัวเองกูเก่งกูใหญ่กูดังไม่มีใครรู้จักเลยหมายังแยกเชี่ยวสายสู้อีกอันนี้ใจฝ่อคือไม่รู้หน้าอะไรของโลกสมบัติของโลก ทรัพย์สินนี้ของโลกนะชื่อเสียงเกียรติยศก็ของโลกนะโลกเขาให้คือคนอื่นเขาให้นไม่ใช่ของตัวเองหรอกอยังถือว่าของกูของกูโง่ที่สุดเลยวันไหนมันหลุดมือไปเขาไปให้คนอื่นแทนเนี่ยใจฝ่อเลยถ้าเราราวนาเราจะอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนมีความสุขจิตใจเข้าถึงความสุขเข้าถึงความสงบฝึกเอานะฝึกเอาหลกพ่อได้แต่ชวนนะได้แต่ชี้ชวน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 ชีวิตของชั่วคราวหมดแล้วหมดเลยนะชีวิตถัดไปชาติถัดไปจะได้เจอศาสนาพุทธหรือเปล่าไม่แน่ะจะได้เป็นคนหรือเปล่าก็ไม่แน่นะชาตินี้ได้ทุกอย่างเพราะเพลาะหมดแล้วอย่าให้เสียโอกาสต้องพัฒนาตัวเองให้ได้นะเนีย่ยได้แต่คอยเชียร์อย่างเงี้ยนะบอกให้เชียร์ให้บอกจนไม่รู้จะบอกอะไรแล้วนะ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 วชพรรษาแรกแรกอ่ะพรรษาที่หนึ่งพรรษาที่สองบางวันตื่นขึ้นมาให้ยเขาภาวนากันไงอ่ะไม่รู้เลยลืมไปหมดเลยเดี๋ยวบางทีก็ยังไปติดเพ่งอยู่ใช่ับถูกนั่นแหละรู้ไปสังเกตไหมไอ้ตัวที่เพ่งก็ไม่ใช่เราไอ้ตัวที่ไปติ่นก็ไม่มีเราอยู่ในนั้นตัวเราไม่มีตัวไปเรื่อยๆแต่อย่าคิดนะเป็นความรู้สึกความรู้สึกว่าตัวเราไม่มีอออยู่เ คราวที่แล้วหลวงพ่อสอนว่าอย่ารีบหมายความว่าให้ดูความอยากใช่ไหมเจ้าคะ่ะอย่าอะไรนะอย่ารีบอย่ารีบปฏิบัติเจ้าคะ่ะใช่ใช่อย่าลุกรี้รุกลนใจเย็นๆค่อยดูกายค่อยดูใจใจเย็นๆนะ <c oughs> อดทนดูไปอ ร, <ห>รีบร้อนยิ่งช้าคือให้ดูที่ความอยากของตัวเองใช่ไหมเจ้าค่ะให้รู้ทันอะไรมันผลักดันจิตใจของเราให้รุกรี้รุกลนให้รู้ทันมันไป <c oughs> อย่าให้มันครอบงำจิตใจ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 อ้ามีใครเชิญผมอยากกลับเรียนถามครับทำยังไงถึงจะเลิกเพ่งครับหลวงพ่อก็อย่าไปเพ่งมันสิทําให้มันตามกัมาว่ามันเกิดจากอะไรเพ่งอ่ะเกิดจากอะไรต้องรู้เหตุอยากปฏิบัติอยากปฏิบัติงั้นทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นความอยากปฏิบัติเกิดขึ้นให้รู้ทันว่าอยากซะความอยากครอบงําใจไม่ได้มันก็ไม่เพ่งเองหละครับผม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 แล้วก็บางทีพุโทโธไปแล้วแล้วก็ขาดตอนไปแต่ว่าจิตมันเกิดพุดโทโธขึ้นมาเองนี่หมายความ ว, ว่ายังไงคะนั่นแหละดีแล้วมันเคยชินกับพุโทโธแล้วจิตของเราชอบคิดแล้วเรื่องที่คิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกส <c oughs> ังเกตไหมชอบคิดร้ายเ <c oughs> งั้นเรา <c oughs> พุโทโธรไปเรื่อยจนมันชินกับการคิดพุทธโทค่ะ <c oughs> อย่างนั้นไม่ตกนรกละออคให้มันพุโทโธไปแล้วใจของเราเป็นอะไรเราค่อยรู้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 แต่มันลองพุโทโธไม่ประสาทเราพุโทโธพุโทโธไปจนใจของเรากับพุโทโธไปนันเดียวกันแลพุโทโธของมันเองนะพอพุโทโธพุโทโธไปใจของเราขยับเยื่งเคลื่อนไหวเราคอยรู้ทัน เ, เานาะแล้วงไงเ ร, เรื่องความเพียรเนี่ยคะ่ะในการระลึกอยู่บ้านปกติจะขี้เกียจ น, นะคะถ้ามาวัดก็จะขยันก็ามาวัดบ่อยๆนะคําว่าขี้เกียจนนะั้นเป็นคําที่แสลงใจหลวงพ่อที่สุดเลย นะบอกนี่ฉันโง่มันดูไม่รู้เรื่องเนี่ยพยายามแล้วไม่รู้เรื่องไม่ว่าสัตคำเลยน ะ, ะวันนี้จิตฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ว่าเลยดีขี้เกียจจังเลยแหมคํานี้นะแสลงใจแล้วก็ก็ติดนั่งสมาธินะคะนั่งไปไเห็นว่าเป็นไรเลยค่ะนั่งแล้วก็รู้ทันจิตใจของเราไปนั่งแล้วจิตเราเคลิอมเรารู้ว่าเคลิอมนั่งแล้วจิตสงบมีปีติมีความสุขรู้ว่ามีปีติมีความสุข นั่งแล้วฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านดูใจนั่นเองเออนะจะนั่งสมาธิก็ดูใจจะพุทโธก็ดูใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็คอยดูใจไปเรื่อยๆใจของเรานั่ยแหละพุทโธตัวจริง อ, อค่ะนะมีอะไรต้องแก้ไขอีกไหมคะถามให้น้อยๆแล้วดูให้เยอะๆกราบขอบพระคุณอย่างออสูงค่ะน้องเห็นข้างหลังใครยกมือเห็นอยู่แวบๆเมื่อกี้นี้โศงไปกราบ น, น้ำมส ก, กาลหลวงพ่อครับ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 ในเวลาเราเดินทางนะจำเป็นต้องรักษาตัวให้รอดก่อนนะก็ค่อยรู้สึกเอาไว้อย่างที่เคยรู้สึกแหละระวัดระวังไว้แต่เวลาเราว่างๆไม่มีอะไรทำเนี่ยใจของเราทำงานตาเรามองไม่เห็นนะแต่ใจเราเนี่ยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เท่าๆกับคนอื่นนั่นเองใจต่างหากเป็นของสำคัญจะลงนรกก็เพราะใจนะจะถึงมรรคถึงผลก็เพราะใจของเรานี่เอง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 นั่นแหะโยมที่บอกมองไม่เห็นนะใจแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมเออใจไปคิดล้วก็รู้ทันนะเรามองไม่เห็นแต่ว่าอายตนะที่สำคัญที่สุดคือใจนะตาเนี่ยถึงคนตาดีพออายุมากๆก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันแต่ใจนี่แหละฝึกเอาไว้ใจเราสว่างสวยอยู่ได้ตลอดไปอ่งมาว่างไงวันนี้กายมันง่วงนอนนะคะแต่ว่าจิตมันไม่ง่วงแต่มัน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 แต่ถ้าเห็นแล้วหลงยินดียินร้ายแล้วผิดอย่างตอนนี้สงสัยรู้สึกไหมมันถูกหรือมันผิดวะเนี่ยลืมดูว่าสงสัยไงสภาวะทั้งหลายเป็นสิ่งมายั่วเป็นสิ่งมาเราเท่านั้นเองจิตใจของเราเกิดอะไรขึ้นหลังจากรู้สภาวะนะให้รู้ทันใจของตัวเองนะคุณแต้มนีพิคิดละคุณแต้มนะคุณตรงเลยเพ่งปึกก็เลยนะให้ยกมือต่อยกมือ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 พอใจเพลิดเพลินรวมแล้วพอใจนะเนี่ยอันนี้ไม่ดีละถามนิดนึงค่ะบมื่กี้ที่หลวงพ่อแนะนําเรื่องการบริกรรมคําพุทโธหนูสงสัยว่าการบริกรรมการมีคําบริกรรมเนี่ยมันจะไม่เป็นการแทรกแซงหรือเปล่าคะแทรกแซงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็รู้พุทโธบางคนรู้ลมหายใจบางคนรู้ท้องผองยุบบางคนรู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอน แต่ละคนต้องมีเครื่องอยู่อันหนึ่งก่อนมีบ้านให้จิตอยู่ก่อนพอมีบ้านให้จิตอยู่แล้วเวลามีอะไรมากระทบมีอะไรมาเราจิตใจเคลื่อนไหวออกไปทำงานเราก็คอยรู้งนะแต่ถ้าเราไม่มีบ้านอยู่จิตใจจะล่องลอยไปหนีไปเรื่อยๆแล้วเรามองไม่เห็นเขาเรียกว่าจอนจัดจอนจัดคือจอนอย่างรวดเร็วมากเลยหนีไปทางโน้นหนีไปทางนี้นะแต่ถ้าเรามีบ้านอยู่สมมว่าเราอยู่กับพุทธโธเงี้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 งั้นเบื้องต้นท่านถึงบอกว่าให้มีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งก่อนก็คือมันเป็นอุบายผูกจิตเป็นอุบายไม่ใช่อุบายผูกจิตถ้าอุบายผูกจิตเป็นเรื่องสมถะผูกไว้ไม่ให้ไปที่อื่นเรียกว่าสมถะอันนี้เป็นอุบายตั้งเครื่องมาเป็นคล้ายๆแลนด์มาร์กอะไรตัวหนึ่งนะเครื่องสังเกตอ่ะแล้วก็จิตใจของเราเคลื่อนผ่านจุดนี้เราก็จะรู้มากไปน้อยไปมันจะดูง่ายถ้าไม่มีเครื่องสังเกตเลยนะมันจะดูยากนิดนึง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 แต่ถ้าเราพุโทโธพุธโทโธอยู่แวบหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วเราจะรู้ทันจิตที่หนีไปการที่รู้ตัวจิตที่หนีไปเนี่ยรู้อารมณ์ปรมัตดคําว่าพุโทโธเป็นบัญญัติเป็นแค่เหยื่อ ล, อล่อเท่านั้นเป็นอุบายอุบายสําหรับบางคนนะไม่ใช่ทุกคนต้องทําบางคนรู้ลมหายใจถามว่ารู้ไปทำไรอ่ะส่วนใหญ่ก็ไปเพ่งลมหายใจก็เป็นสมถามเหมือนกันแหละไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ปรมัตดนะรู้ลมหายใจก็ไปรู้แบบไปเพ่ง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 รู้รูปนามตรงตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนั่นแหละถึงจะเป็นวิปัสสนาพระอาจารย์เขาแสดงว่าถ้าเป็นวิปัสสนาจริงๆแล้วจะต้องไม่เกิดนิมิตเลยไม่มี<ด>นิมิตตบใดถ้าเกิดนิมิตแสดงว่ามันเป็นอารมณ์ของสมถะสั้นๆ น, นะทันทิพ์ไม่เล่าเรื่องอื่นนะชอบเล่าเรื่องที่ทางานอะไรๆฮะถามทาไมอะไรๆก็รู้เยอะแล้ว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 พราะชีวิตมีเยอะสองอย่างไม่เที่ยวงานกันที่บเออย่างดีไม่มีที่เที่ยวเยอะแยะดีเ <c oughs> สร็จแล้ว <c oughs> ก็พอมันมีปัญหามากๆมาสเตรสเรามากๆเนี่ยมันวาบเข้าไปแล้วทําให้ใจมันนั่นมากเลยค่ะแล้วก็เอ้ <c oughs> ปุ๊บนึ่งก็มันคือมันไม่หลงนานมันเพิ่งขึ้นมาว่าโอ้ยถ้าเราตายไปก่อนยังใสปัญหาก็ยังอยู่แหละก็เลยเหมือนกับว่าไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่ารู้สึกว่าไม่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าปฏิบัติดีขึ้นมาแบบ เอ็กตรีมดีขึ้นมาแบบว่าเอ็กตรีมันดีขึ้นมาแบบว่ า, ด, า, แบบวาดีขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราพร้อมที่จะปฏิบัติที่เมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้ hmm. สมาธิเกิดขึ้นตลอดเวลา hmm. ที่ไหนที่ไหนเมื่อไหร่เพื่อแค่บางทีเรื่องพระเจ้าตากมองเห็นศพลอยน้ําเนี่ยปุ๊บมันก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นมา hmm. แบบเห็นเลยว่าโอ้ตายละนี่ขนาดสวยแค่ไหนก็นอนตายคอขาด hmm. ตายกันหมดเลยนะ hmm. อย่าว่าแต่เราเลยสักวันเลงเนี่ยเราก็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 คือถ้ามันฟุ้งมันก็กลายเป็นกระจายเออทีนี้ท่านก็สอนว่าสั้งใจตมตอนที่มันฟุ้งเนี่ยแล้วเรารู้ว่าฟุ้งนะอย่าไปดึงคืนมาอย่าไปดึงกลับนะดี๋วนี้จะเริ่มเห็นจิตที่ผ่านไปมากขึ้นคือมองอี้มันกระดับเกิดปุ๊บอุ้ดับอีกล้วเกิดปุ๊บแต่ว่าท่านสอนว่าเวลาที่จิตฟุ้งเนี่ยให้ให้ให้พอปุ๊บเนี่ยมันหยุดเลยเอมันหยุดเสร็จปุ๊บมันก็เห็นละอ่ะจิตมันวับไปละ มันเหมือนเราขับรถยนต์่ะรถวิ่งเร็วไปนะเราแตะเบรกแต่ทันที่แตะแรงไปรถหยุดกึกเลยแล้วจะแตะยังไงอ่ะคะแต่เบาเบาหน่อย <c oughs> คือเนี้สังเกตไหมตอนที่ใจเราฟุ้งไปอ่ะนพอเรารู้ปุ๊บมันเหมือนเราไปดึงะตรงเนี้ไม่ดึงเปลี่ยนใหม่แต่ไปนี้พอรู้ว่าใจฟุ้งนะรู้ว่าฟุ้งแล้วจบแค่นั้นเลยอย่าดึงคืนมามันไม่จะพอดีมันพอดีอยู่แค่รู้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 หยุดกึกเลยไม่ได้หรอกนะหยุดแรงไปอย่างไงมันก็ไม่สบายอย่างนี้สิคะนั่นอะไรนะ จ, นจิตมันก็ไม่สบายอย่างนี้ยเราไม่ได้เอาสบายเยอา้อาวใครจะยกมือต่อไปอ่ะคนนี้คนนี้ทางนี้ยกก่อนแล้วคนนี้ต่อมาเดี๋ยวจําไว้นะวันที่ใส่แว่นตาเนี่ยเดี๋ยวคนนี้ต่อ ไม่ยอมพยาานขยันเรียนนะหลวงพ่อ น, นักเหนื่อยทุกวันเลยดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสได้ได้คุยกับหลวงพ่อค่ะตั้งแต่ภาวนามานี่นะคะก็รู้สึกว่าจิตใจสบายขึ้นนะคะทุกข์ก็น้อยลงเป็นสุขมากขึ้นค่ะแต่ก็ยังรู้สึกภาวนาไม่ได้ดีนะคะลืมตัวบ่อยแล้วก็เผลอนานค่ะ เ, ออเผลอนานไม่ดีนะความจริงถ้าลืมตัวบ่อยมันจะไม่เผลอนานอะ่ะ เพราะว่ามันบ่อยนะมันก็แวบมันก็รู้สึกแวบก็รู้สึก่ะก็จะทํายังไงให้มันแวบแลรู้สึกก็ยังทำมันมันไม่ค่อยไดมันทําไม่ได้ทำไม่ได้นะถ้าทําได้มันจะเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาเราค่อยๆหัดรู้หัดดูของเราเรื่อยๆเดี๋ยวมันขี่ขึ้นเองค่ะถ้าจิตมันจําสภาวะได้แล้วมันจะรู้ได้ไวขึ้นไวขึ้นขอบพระคุณมากค่ะว่าไป อ, อยากจะถามว่าเอในการที่เราจะดูจิตเนี่ยค่ะคือจําเป็นไหมที่เราจะต้องเอเอเเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจะให้ไปถึงทางแห่งการพ้นทุกข์อะค่ะเราเป็นคารวาสนะค่ะไม่จําเป็นหรอกแต่อย่ามัวา่วซั่วเท่านั่นแหล ะ, ะอมีศีลห้าแค่นั้นพอละไปได้ละแค่มีศีลห้ามีผู้หญิงหลายคนนะกลุ้มใจ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 ไปถึงวันพระทีหนึ่งก็ถือศีลแปดเลยเงี้ยก็คือการหัดประพฤติพรหมจรรย์เประยะระยะไปฝึกทำให้ใจเข้มแข็งมากขึ้นการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยจำเป็นสำหรับการภาวนาในขั้นประณีตขั้นละเอียดในขั้นโสดาสิกิทาคาเนี่ยแค่ศีลห้าพอแล้วไม่ต้องศีลแปดแต่ว่าถ้าสูงขึ้นไปนะ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 อย่าเพิ่งก็ไปชวนเขาสินะค่อยๆกล่อมเขาก่อนทีแรกเราก็คล้อยตามเขาไปก่อนค่อยๆชวนเขานะให้เขาหัดภาวนาไปทีหลังเขาก็เบื่อไปเองแหละเห็นหน้าอยางนที่ทุกวันก็เบื่ออยู่แล้วล่ะงั้น อ, อ, อีกคำถามนะะึ่งค่ะคือได้ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วได้มาฟังที่ศาลาวชินแล้วก็มาฟังที่นี่รู้สึกว่าบางบางทีมันก็รู้สึกตัวว่าอย่างอย่างตอนนี้ก็รู้สึกตัวว่ากาลัง ตื่นเต้นแล้วก็กระลายสงสัยถูกต้องก็ ด, ดีแล้วนะให้เรารู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆ เ, เราจะเห็นไหมเราไม่ได้เจตนาตื่นเต้นมันตื่นเต้นเองดูออกไหมเนี่ยเราจะดูใจของเราจึงกระทั่งรู้เลยมันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานของมันได้เองทั้งวันทั้งคืนเลยนะดูไปดูไปตัวเราหายไปตัวเราไม่มีคําว่าตัวเราจริงๆเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองเนี่ยตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมแค่เนี้ย แค่รู้ว่าหนีไปคิดเก็พอแล้วสงสัยแล้วทราบไหมเ<ฆ>นี่ยมันงงขึ้นมา<ฆ>รู้ไหมงงก็รู้ว่างงะนะแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมงงอีกแล้วทราบไหม<ฆ>นหไเนี่ยหัดดูไปอย่างเงี้ยนะอ่ะส่งไปคุณแต้ ม, ตมหลวงพ่อคะเออมอย่างที่พวกเราส่วนใหญ่ปฏิบัติกันนี่ก็ยังไม่เรียวขึ้นวิ ป, ปัสสนาญาณใช่ไหมคะ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 เวลาที่เขาสรุปเขาก็ไม่พูดคาว่าไตรลักษณ์ด้วยมันเข้าใจขึ้นมาเลยเขาเข้าใจเสรแล้วจิตถอยออกมาจากสมาธินะตอนที่เข้าใจมันอยู่ในสมาธิจิตถอยออกมาเนี่ยตรงนี้มันถึงจะเกิดคําพูดขึ้นมาตรงที่ปัจเจกขณะยานเกิดขึ้นมันจะทบทวนพิจนารณามันเกิดทีหลังเกิดเป็นภาษามนุษย์ขึ้นมาทีหลังเห็นสภาวะก่อนเข้าใจสภาวะและ้วแล้วภาษามันค่อยเกิด สึกความเป็นตัวตนนี้มันถอดถอนยากเหลือเกินถอดถอนยากเพราะว่าเราถอนไปแล้วก็ดันเข้าปีนะเหมือนเราโดนเสี้ยนต่ําน้ําต่านะดึงออกมาหน่อยก็เสียบเข้าไปอีกไม่ดึงออกมาเสียทีเดียวยึกยักกิดยักไปเรนะื่อยเหมือนเรามีน้ําเน่าอยู่ตุ่มหนึ่งนะเราเติมน้ําดีลงไปเรนะื่อยถ้าเราขยันเติมน้ําดีไปเรื่อยนะวันหนึ่งน้ํามันก็สะอาดในตุ่มนี้ นี่เราเติมน้ำดีไปสามปีบเติมน้ำเน่าออไอีกสิบปี๊บอะไรเงี้ยคือทุกครั้งที่เราขาดสติเราก็เติมความเห็นผิดลงไปทุกคราวที่มีสติมีปัญญาขึ้นมาเราก็เติมความเห็นถูกลงไปงั้นเราไม่ได้ทำข้างเดียวเราทำสองด้านส่วนในความเห็นผิดเก่าก็สะสมมาเนิ่นนานแล้วสุดท้ายนะมันทุบุ่มน้าจริงนะแหล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 เราอยากที่เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าบางคนเนี่ยชอบที่จะทําบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรคือซื้อซื้อบุญสมมุติว่านะคะเออถ้าเกิดมีคนเขามาขอให้เราทําอย่างเงี้ยค่ะเกิดสร้างเมนเผาโศพสร้างศาลาอะไรคืออยากให้เราไปทํากระถิ่นผ้าป่าอะไรอย่างเงี้ยเราจําเป็นต้องทําแค่ไหนอย่างไรคะพอใจจะทําก็ทำนะเห็นประโยชน์ที่จะทําก็ทําไม่เห็นก็ไม่ทํา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 ขอไม่ได้นะอย่างสมมติว่าเดินเดินไปผู้ร้ายมาปล้นเอาสบงจีวรไปหมดเลยกลายเป็นชีบเลือยเอันเนี้ยท่านให้ขอได้ขอผ้าได้แต่ได้ชิ้นเดียวเองท่านเข้มงวดกวดขันนะพระขี้ขอไม่ได้นะพระพิขูปแปลว่าผู้ขอแต่ไม่ใช่ขอด้วยความโลภหรืออย่างพวกเราบางคนพลาดล้งไปวาวนาภารณาไม่ได้บอกว่าภารวนานแค่ไหนอะไรเงี้ย บอกว่าท่านต้องการอะไรขอให้บอกเนี่ยมันมีอายุสี่เดือนนะเออไม่ใช่เดี๋ยวปรณนาว้แล้วพระก็ถ่ทุกเดือนเลยเดือนละห้าหมืนผ่านมาสิบปีละอะไรเงี้ยพอจะไม่ให้ก็บอกตกนรกนะพวรนาแล้วเนี่ยแหละรู้เลยใครตก <c oughs> อย่างคนมาปรณนาหลวงพ่อเยอะนะใครมาปรณนากับหลวงพ่อเนี่ยได้บุญ บุญฟรีด้วยเพราะไม่เคยเรียกร้องเอาเลยถ้าท่านต้องการอะไรอันเนี้ย น, นี้ขอให้บอกนะสาธุอโมรตนาสาธุเสร็จแล้วลืมทันทีเลยจําไม่ได้หรอกใครมาปรนนาอะไรงั้นได้บุญฟรีไปแต่ระวังนะอย่าปรนนาสุม 4, สี่รุมห้าต้องระมัดระวังนะเวลาปราณนาก็มีลิมิตด้วยมีลิมิตด้วยเวลาบ้าง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 หน้าุณคุณอ่ะส่งมานี่นี่เดี๋ยวก่ไปโน้นหนูอยากถามเกี่ยวกับคําว่าเจ้ากรรมนายเวรอะคะ่ะ เ, เคยไปฟัง อ, อาจารย์ที่สอ น, อสอนเกี่ยวอภ<ย>ะย่าเอ่ยชื่อนะค่ะค่ะที่สอนเกี่ยวกับพระอภิธรรมอะคะ่ะบอกว่าคําว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยจริงๆแล้วว่าเหมือนกับมันจริงๆคือชนอกกรรมชนกกรรมชนกกรรม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 งั้นบางคนทำกรรมมาดีเกิดมาเคยถือศีลมาก่อนเกิดมาสวยเนี่ยเคยทำทานมาเกิดมาร่ำรวยอะไรเงี้ยเนี่ยมีชนกกรรมที่ดีส่งผลมาแต่อันนี้เป็นของอดีตไม่สําคัญเท่าไหร่สาคัญคือกรรมปัจจุบันต่างหากพอสวยแล้วทำชั่วเนี่ยไปจีบเมียชาวบ้านหรือหล่อแล้วจีบเมียชาวบ้านรวยแล้วก็ใช้ทรัพย์สินเบียดเบียนคนอื่ น, นเอาพื้นฐานที่ดีไปทาชั่วอย่างนี้ก็มี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 มันจะต้องมาตีหัวเราไหมไม่จําเป็นไม่จําเป็นเลยไอนะ้เจ้ากรรมในเวรของเราอาจจะตกนรกอยู่ตอนนี้แต่คนอื่นมาตีเนี่ยใช่ไหมไม่จําเป็นต้องคนเก่าหรอกงั้นไม่ต้องไปติดศีลบนมันนะแค่ทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปนะให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนะีนะ่ยถ้าเรา ม, มีเจ้ากรรมในเวรมันก็มีตัวกูผู้รับกรรมรับเวรอีกแหลนะเราภาวนาจนไม่มีตัวเราแล้วเจ้ากรรมในเวรมันจะไปยุ่งกับใครก็ช่างมันไปอะไร แต่มีเหมือนกันนะอย่างผีอาฆาตอะไรนี้ก็มีแต่ไม่เล่าดีกว่าเดี๋ยวงมงายเอาเล่าหน่อยก็ได้ไหมอยากฟังตั้งเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อรู้จักผู้หญิงคนนึ่งแกเป็นจ่าแต่ตอนแจ ก, กเกษียณได้เป็นในร้อยเป็นจ่าอยู่กอลอรมนนอคือชวนชื่น ตอนแกสาวสาวเป็นเด็กสาวสาวเนี่ยแกไปทอดกระถินรู้สึ ก, ก่าวัดป่าไรไรทางสุขัรรืองเนี้ยจำวัดไม่ได้นะเดี๋ยววัดเขาเสียหายจะจำวัดไม่ได้แม่ น, นขณะที่เขากำลังทำพิธีอะไรอยู่แกถูกผีสิงถูกผีสิงผีบอกจะต้องเอาชีวิตแกให้ได้ น, นี่พวกญาติโยมก็ไปตามพระมาเจรจาว่าทำไมจะต้องไปฆ่าเขาอะไรเงี้ยเขาอาฆาตมานานละ คาดมานานแล้วชาติก่อนๆนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีไอ้ผีตัวนี้เป็นผู้ชายนะเป็นทาตมวันนึงไปแอบดูข้าอาบน้ำไปแอบดูข้าวอาบน้ําพอผู้หญิงนี้รู้เข้าไปฟ้องพ่อเนะ่ยจับมาเคี่ยนจะตายเลยตายแล้วก็เอาศพมาฝังอยู่ที่ต้นพิกุลข้างบวช น, นี่แหละศพยังอยู่ฝังอยู่ที่นี้เขาเลยตั้งปณิธานาเขาจะต้องฆ่าผู้หญิงคนนี้ต้องกินเลือดผู้หญิงคนนี้ให้ได้ น้ออีนางเนี่ยมันอาบน้ำไม่ระมัดระวังเนี่ยเราไปเห็นนะมันมีปานที่ขาด้วยชาตินี้มันก็มีน ะ, ะมันเปิดโปงด้วยนะผีค่อนข้างอย่างผีลามมกจริงๆอะ่นะอีนี้ใส่เดิมชอบดูก็ดูอีกอะ่ะนะเสร็จแล้วก็ไปขุดนะเจอกระดูกมันด้วยถูกโซ่มัดไว้ด้วยนะสมทานท่านเขาเจรจาบอกว่าให้เขาทำบุญอะไรให้ก็ละกันะอย่าไปอาฆาตเขาเลย ผีมันก็บอกว่าต้องเอาเลือดมาสังเวยมันนะดีมีหมอคนหนึ่งเขาก็ดูดเลือดอะไปฉีดใส่กระดูกมันมันก็ออกแต่มันมาคอยหลอกเรื่อยๆเวลามันจะมามันจะมาตอนเย็นๆโฟล์คลบรรยากาศจะว่องวิงว่องวิงนะมันจะหลอกเวลามามจะแกล้งแต่หลวงพ่อไม่ได้ถามนะว่ามันแกล้งยังไงแกก็เกรงกลัวที่สุดเลยก็ภาคเพียรเนะ้อทำบุญใส่บาตรทุกวันทุกวันอุทิศให้มันทุกวันนอยู่มาหลายปี วันหนึ่งมันมาหาเรียบร้อยมาแล้วมันบอกมันพอใจแล้วมันจะไปเกิดแล้วมันไม่อักคาดล้วมันก็เลยหายไปแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เลยชอบทําบุญนะครับทำบุญชื่อส่วนชื่นรู้นามสกุลด้วยแต่ไม่ได้ขออนุญาตเขาเลยไม่ได้บอกนะคุณทอเรียงพิบูลนเคยสัมภาษณ์เอาไปเขีย น, นเรื่องนี้ก่อนไปเจอตัวแกเข้าก่อนอยู่ทํางานด้วยกันแบบนี้ก็มีเหมือนกัน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 ผมว่าผมเป็นตัวดีครับเห็นคนอื่นบางทีก็คนคนอื่นไม่ดีไปหมดอืเราเป็นตัวดีเป็นประจันโอ้แย่ครับผมเนี่ยเรารู้ทันนะเรารู้ทันว่าใช้ได้ที่คุณฝึกอยู่ใช้ได้ครับก็มีเรื่องหนึ่งครับหลวงพ่ออยากจะถามว่าเวลารู้อะไรมันจะหนักหนักเข้ามาที่หัวใจหนักหนักให้เราไปบังคับไว้เวลารู้อะไรแล้วเราไปข่มใจของเราบางทีครับผมนะแต่บางทีมันหนักเองนะ คนข้างนอกมันคิดถึงเราเนี่ยคนที่จิตชั่วหยาบมากๆนะคิดถึงแล้วมันแน่นขึ้นมาอย่างนี้ก็มีแต่ถ้าเราภาวนาจนใจเราไม่ก่อไม่เกี่ยวอะไรไม่แน่นนะบางทีก็รู้กระแสจิตคนอื่นอย่างเช่นคนอื่นกาลังปวดหัวเนี่ยเราชําเลืองไปดูแล้วปวดชิตเลยเราก็ปวดตามเข้าไปเลยใช่ครับเราไปเห็นคนนี้เป็นโรคหัวใจหัวใจจะวายนะออย่างนั้นเหรครับนั่นแหละนั่นแหละเวีกรรมของเราคือเราเวรยนจริงๆ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 เหมือนตัวเองฝึกแล้วเหมือนถอยหลังตลอดเวลาเหลอทำไมอะ่ะทำไ ม, ไมถอยไม่กล้าเหมือนกันรู้ได้ไงว่าถอยอ่ะเหมือนเหมือนมันไม่ก้าวหน้าเลยอ่ะอ๋ออยากก้าวหน้าไหมอยากให้รู้ว่าอยากแล้วก้าวหน้าเลย <c oughs> ไม่พอพอนั่งไปใช่ป่ะค ะ, ะมีทั้งพุโทโธมีทั้งยุบหนอพองหนอมีทั้งลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันตีกันตลอดแค่นั้นเปลือกมันแก่น <c oughs> สารสาระก็คือความรู้สึกตัวความมีสตินะเราะนั้นจิตใจเราเนี่ยกังวลขึ้นมารู้ว่ากังวล ดีใจรู้ว่าดีใจเสียใจรู้วเสียใจไอ้นั้นเป็นแค่รูปแบบเป็นเปลือกมันนะมีเปลือกไว้อันเดียวก็พอไม่ต้องมีหลายเปลือกหรอกเหมือนเคยเห็นไหมปูอะไรเรียกปูอะไรนะเปปูเสชว น, นอ่ะมีเปลือกก็มีเปลือกเดียวอ่ะไม่ใช่มีเปลือกสามชั้นเพราะงั้นเรามีรูปแบบของการปฏิบัติมีอันเดียวก็พอแล้วเคยพุโทโธกับพุโทโธไปเคยดูฟังยุบก็ดูไปเคยรู้ลมหายใจก็รู้ไปรู้เพื่ออะไระรู้เพื่อจะรู้จิต มันขึ้นมาเองอะค่ะพอนั่งไปก็ทุกอย่างมาปรผส้รู้ทันลงไปปัจจุบันเลยจิตฟุ้งซ่านอยู่จิตกําลังฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านนะรู้ลงปัจจุบันไปรู้สึกไหมจิตใจมันฟุ้งซ่านอก็รู้ว่าฟุ้งซ่านในสติปัฏฐานสอนไงจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านอารัต น, นิยมจํานวนมากแล้วจิตฟุ้งซ่านอยากไปละได้เชิญกับบ้านไปโอ้เหนื่อยวันวั น, นึง บางวันผู้สหายใจไม่ทันไม่ค่อยถูก อ, อากาศชื้น